คนสนิทของหลวงพ่อที่ถอนตัวไปแต่ก็เคยมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในตัวหลวงพ่อเหตุได้หลวงพ่อจึงรักษาศรัทธาไว้ไม่ได้แสงเทียนในความมืดนั้นจะส่องสว่างได้ดีเมื่อคุณอยู่ไกลออกมาในระยะห่างหนึ่งแต่ถ้าอยู่ใกล้เกินไปบางทีเงาร่างของคุณเองอาจบดบังแสงเทียนไว้จนมิดทําให้รู้สึกคล้ายเปลวเทียนไม่มีแสงสว่าง หรือสว่างเพียงฤบรี่ได้แนวทางการสอนแบบจี้เป็นคนคนของหลวงพ่อปราโมทนั้นเลี่ยงไม่ได้ที่จะก่อให้เกิดความคาดหวังว่ายิ่งใกล้ชิดจะยิ่งมีสิทธิ์ได้ทางลัดถึงตัวถึงใจกว่าคนอยู่ไกลห่างแต่ข้อเท็จริงคือเมื่อเป็นกันเองมากขึ้นก็อาจก่อให้เกิดความสนใจเกิดความคาดหวังในตัวท่านต่างๆนานาดึงให้สติเผลอไปยึดเรื่องข้างนอกมากกว่าเข้ามารู้เรื่องข้างในได้ง่าย ผมกำลังบอกคุณคุณว่าศรัทธาเท่ากันแต่ยิ่งอยู่ห่างความคาดหวังในการรับความช่วยเหลือด้วยทางรัฐยิ่งน้อยความตั้งใจสดับฟังเอาไปปฏิบัติจริงยิ่งมากแทนที่จะสงสัยว่าทําไมหลวงพ่อรักษาศรัทธาคนกลุ่มน้อยไม่ได้ผมอยากให้คุณฉุกใจคิดว่าทำไมเกิดเรื่องแล้วจึงไม่เกิดวิกฤตศรัทธานั่นก็เพราะศรัทธาส่วนใหญ่อยู่ในระยะห่างรับแสงแต่พอดี มีแก่ใจเจริญสติอย่างจริงจังจึงบังเกิดผลอันสุขสว่างแก่ตัวเหมือนอาศัยเปลว เ, เทียนเก่าต่อเปลว เ, เทียนใหม่รู้อยู่ข้างในว่าธรรมะที่เกิดขึ้นกับตนเป็นของจริงสว่างจริงส่วนของข้างนอกคือครูบาอาจารย์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าจะจริงหรือไม่จริงสว่างหรือมืดก็คงไม่สาคัญอะไรกับตนอีกแล้วของจริงข้างนอกถูกบิดเบือนหรือลบให้เลือนไปได้ แต่ของจริงข้างในอย่างไรก็ไม่มีทางทำให้กลายเป็นของปลอมสรุปคือถ้าพยายามเข้าใกล้หลวงพ่อให้น้อยลงใส่ใจปฏิบัติจริงให้มากขึ้นอาจมีสิทธิ์ประสบผลสำเร็จมากกว่าคนใกล้ชิดก็ได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต่อให้จับสังคติคือผ้าซอนทับจีวอนของพระองค์ไม่ปล่อยก็ไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้ท่านคนจะเห็นท่านจริงคือต้องเห็นธรรมเท่านั้น คนเรามักลืมที่มาของตัวเองนั่นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะแม้แต่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของตัวเองเลี้ยงดูตนมาจนเติบใหญ่ก็มีน้อยคนที่ระลึกถึงพระคุณได้เราจึงเห็นโลกนี้ว่ามีบางคนทิ้งพ่อแม่ได้หรือกระทั่งฆ่าพ่อแม่เสียก็ได้เมื่อลืมตัวลืมใจธรรมชาติของคนโดยมากไม่ต่างจากกลุ่มนกน้อยเห็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาก็แย่งกันเข้ามาเกาะ แต่พอเห็นต้นไม้ทำท่าจะโค่นล้มก็แตกหือเอาตัวรอดน้อยคนจะทำตัวเหมือนกลุ่มช้างใหญ่ที่เข้ามาอาศัยร่มเงาไม้ใหญ่สบายตัวแล้วพอเห็นต้นไม้จะโค่นก็ปักหลักช่วยกันค้ำยันเอาไว้สรุปคือธรรมดาโลกครับไม้ใหญ่ไม่ได้มีต้นเดียวจะบินไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจเฉพาะการไม่ว่ากัน เกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วจะให้ทำใจเชื่อใครได้ด้วยวิธีไหนทั้งโลกนี้จริงหมดด้วยตัวของมันเองเป็นธรรมดาความคิดของเราเท่านั้นที่ยากจะรับความจริงตามธรรมดาโลกขณะเกิดเรื่องราวแตกแยกข้อมูลที่มาจากอคติล้วนเป็นเท็จทั้งสิน้นส่วนการรับฟังข้อมูลด้วยใจเป็นกลางจะได้ข้อสรุปเป็นจริงในที่สุด คิดถึงพระพุทธเจ้าไว้แล้วใจจะอบอุ่นเมื่อใจอบอุ่นพอคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าเริ่มสำรวจใจตัวเองได้ดูให้ชัดว่าใจอยากรับฟังทางไหนให้สอดคล้องกับความอบอุ่นก็ขอให้เชื่อวาระแหงใจในบัดนั้นเถิดอย่ารู้สึกผิดถ้าคุณคิดไม่ดีหรืออยากถอยเท้าออกไปขณะเดียวกันอย่ารู้สึกว่าถูกต้องกับการหุนหันเข้าข้างใครขอเพียงมีข้อมูลมากพอ จะเกิดอะไรขึ้นกับการตัดสินใจก็คงต้องเป็นไปตามนั้นต่างคนต่างมีพื้นหลังไม่เหมือนกันแม้อยู่บ้านเดียวกันก็อย่านึกว่าต้องตัดสินใจเชื่อให้ตรงกันกรณีการขุดคุยเอาอาดีตไม่ดีไม่งามของใครมาแฉคุณควรถามตัวเองว่ามีใครบ้างที่ทำแต่เรื่องดีเรื่องงามมาตลอดถ้าคนเราลงตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามเสยอย่าง อย่างไรก็ต้องขุดคุยอะไรสักเรื่องมาประจานจนได้ผมเห็นพระใดดังขึ้นมาก็มีทั้งคนรักคนชังมีคนเชียร์มีคนโจมตีเหมือนกันหมดนึกว่าตีใครพังแล้วเอาคนใหม่ขึ้นมาแทนจะไม่โดนหรือหรือว่าเมื่อใครคนหนึ่งถูกตีพังไปแล้วจะมีใครที่สมบูรณ์แบบทั้งพฤติกรรมในอดีตและความงามพร้อมในปัจจุบันมาแทนที่ได้หรือประเด็นมันอยู่ที่ว่า เราจะตั้งใจทําให้ใครคนหนึ่งพังเพื่ออะไรเท่านั้นเองผลลับไม่ได้ช่วยให้โลกดีขึ้นกว่าเดิมได้หรอกขอให้คํานึงว่าใจคนเราครุ่นคิดถึงแต่มุมมองของตนความเห็นของตนตลอดจนการตกลงร่วมกันของหมู่พวกไม่ได้ผูกโยงกับประโยชน์ของคลื่นมหาชนถ้าใครอ้างให้คุณได้ยินว่าคิดถึงพระศาสนาทําเพื่อพระศาสนา ก็ควรดูที่ผลงานของคนคนนั้นดีกว่ากรณีหลวงพ่อปราโมทผมรอฟังการชี้ผิดเอาโทษท่านอยู่หากพบหลักฐานว่าผิดอาบัติร้ายแรงจริงก็ควรปรับสึกเสตตามกระบวนการผมอาจเข้าร่วมช่วยขอร้องให้ท่านศึกด้วยอีกคนหนึ่งแต่นี้เท่าที่ทราบล่าสุดจะมีการโจทเอาผิดดื้อๆโดยไม่มีหลักฐานหาว่าท่านผิดศีลข้อสาม หรือหาว่าท่านส่งเมลถึงผมบอกว่าสาวๆที่มาวัดหน้าปล้ำหลายคนถ้าคุณไปได้ยินคํานี้ที่ไหนก็ขอได้รับคํายืนยันจากผมว่าไม่จริงอย่าว่าแต่ท่านจะพูดเฉียดเรื่องนี้ขณะเป็นพระแม้ครั้งเมื่อรู้จักกันฉันคารวาทผมก็ไม่เคยได้ยินท่อยคําคึกขนองทานองนี้จากปากท่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวจริงๆแล้วข่าวเทือกเนี่ยช่วยให้ผมเองสบายใจด้วยซ้า เพราะท่านคงไม่มีความผิดอะไรเป็นแน่จึงต้องกุเรื่องโกหกขึ้นกล่าวหากันแบบไม่มีมูลความจริงถามคุณดังตรินมีส่วนได้ส่วนเสียกับหลวงพ่อปราโมทหรือเปล่าคนส่วนใหญ่รู้จักผมจากหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านไม่ได้รู้จักเพราะผมมีความเกี่ยวข้องอะไรกับท่าน ท่านไม่ได้ตั้งชื่อหนังสือให้ท่านไม่ได้ช่วยคิดช่วยเขียนส่วนใดส่วนหนึ่งและท่านก็ไม่ได้ช่วยเป็นหัวเรื่อหัวแรงช่วยประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นในแง่ชื่อเสียงแล้วถ้าคิดถึงส่วนได้ผมไม่น่าจะได้ผลประโยชน์อะไรจากชื่อเสียงของท่านผมร่วมสร้างส่วนสันติธรรมเป็น1นึ่งแสนทำบุญวันทอดกระถิ่นที่ส่วนสันติธรรมปีละเป็นหมื่นถวายอุปกรณ์บำรุงธาตุขันอีกเท่าใดจําไม่ได้ถนัด แม้ตอนไปช่วยท่านสอนที่ศาลาใหญ่นอกจากไม่มีค่าตัวให้ยังต้องควักเงินหยอดตู้บริจาคอีกเมื่อจะมีการจัดพิมพ์หนังสือบูชาครูบาอาจารย์ของท่านก็ทุ่มเงินก้อนใหญ่ลงไปเป็นแรงเรียกกระแสสนับสนุนแถมเมื่อสำนักพิมพ์ของตัวเองจะพิมพ์หนังสือดูจิตปีแรกเพื่อแจกเป็นธรรมทานไปตามที่ต่างๆผมก็ลงขันร่วมกับญาติธรรมอื่นๆอีกด้วยไม่ใช่เป็นผู้รวบรวมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในแง่เงินทองแล้ว ถ้าคิดถึงส่วนเสียผมน่าจะเสียแบบไม่เห็นทางได้อะไรคกนจากท่านเลยตอนแม่ผมป่วยหนักท่านไปเยี่ยมและแผ่เมตตาให้แม่ถึงบ้านตอนแม่ผมใกล้ตายท่านก็ไปให้กำลังใจจนแม่ผมเข้มแข็งขึ้นตอนแม่ผมตายแล้วท่านก็ไปช่วยวันเผาส่งแม่ขึ้นฟ้าเพราะฉะนั้นในแง่บุญคุณผมต้องจดจำไม่ลืม ถามคุณดังตรินเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปราโมทหรือเปล่าคำถามทำนองนี้เคยเป็นเหตุให้คิดเขียนก่อนเกิดเป็นดังตรินขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็จะได้ไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำไปซ้ำมาหรืออย่างน้อยก็จะได้ตอบน้อยลงกว่าเดิมบ้างคำถามนี้เหมือนมีอาถรรพ์นะครับเพราะถามในที่สาธารณะกันหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่มักมีเหตุให้ไม่ได้ตอบเพราะมักเป็นคำถามที่รวมรวมปนปนกันมาหลายข้อก่อนหมดเวลาไม่เหลือเวลาพอให้ได้ไขข้อข้องใจเพิ่งจะมีตอนไปบรรยายที่คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ถามและผมถึงได้ตอบชัดถ้อยชัดคำเป็นครั้งแรกใจความสรุปของคำตอบคือผมเป็นลูกศิษย์ทางความรู้ของพระพุทธเจ้าผมมีหลวงพ่อพุธเป็นพระอุ ป, ปัชฌาย์อบรมสั่งสอนตอนอายุสส่วนหลวงพ่อปราโมทนั้น ผมได้ความรู้จักท่านมากมายแต่โดยความสัมพันธ์คือพี่กับน้องที่รักและนับถือกันมากผมเคยอยากเชิดชูสนับสนุนท่านกำลังเชิดชูสนับสนุนท่านและจะเชิดชูสนับสนุนท่านไม่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ฉันพี่กับน้องแต่เพราะไม่เห็นใครที่ทำให้คารวะตื่นตัวอยากเจริญสติค้นหาแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เท่าท่านต่างหากถ้าไม่ใช่ด้วยเหตุ น, นี้แล้ว ต่อให้สนิกกันขนาดไหนผมก็คงไม่ใส่ใจร่วมผลักดันให้ผู้คนมารู้จักท่านอย่างที่เห็นพบหน้ากันครั้งแรกเมื่อสิบกว่าปีก่อนสมัยท่านเป็นคารวาสท่านหันไปบอกรู้สิทของท่านคนหนึ่งที่นั่งข้างๆว่าผมมาคนละแบบกับท่านขยายความคือของท่านเริ่มต้นและดําเนินไปด้วยการเน้นดูอาการของใจส่วนผมเริ่มต้นและดําเนินไปด้วยการเน้นดูสภาพทางกาย แต่ไม่ว่าจะเริ่มต้นและดำเนินด้วยการเน้นกายหรือใจจุดสรุปก็คือประสบการณ์เห็นกายใจไม่เที่ยงอย่างทั่วถึงเห็นว่าทั้งกายและใจนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นตรงตามจุดหมายเชิงปฏิบัติอันสําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาความรู้และประสบการณ์บนเส้นทางเจริญสติของท่านตลอดจนความสามารถในการใช้คําอธิบายสภาวะท่านก็เหนือกว่าผมมากนัก แม้มีประสบการณ์เหมือ น, อนกันแต่ผมก็ใช้คำไม่ได้เหมือนท่านเช่นเมื่อจิตกับกายแยกกันจะรู้สึกเหมือนมีช่องว่างระหว่างกายกับจิตตรงนี้มีบัญญัติไว้เป็นมาตรฐานตามตำราคือนามรูปปริเชทะยานและตอนเกิดประสบการณ์ดังกล่าวผมก็จำแค่นามรูปปริเช ท, ทยานไว้กำกับภาวะคือบอกตัวเองว่าขณะนี้เกิดนามรูปปริเช ท, ทยาน หรือเมื่อครู่นามรูปปริเชทยานตั้งอยู่และหายไปแล้วจิตตกกลับมาสู่ภาวะสามัญไรยานอันเป็นทางสู่ความพ้นทุกข์แล้วต่อเมื่อฟังคำอธิบายสภาวะแบบง่ายๆจากท่านจึงเป็นจุดหักเหสำคัญเมื่อพูดกับคนอื่นก็เริ่มรู้จักใช้คำง่ายๆฟังแล้วรู้เรื่องเหมือนท่านบ้างซึ่งต่อมาก็พบว่าแม้ใช้คาง่ายขนาดไหนก็ไม่มีทางฟังรู้เรื่องอยู่ดี สำหรับคนไม่ผ่านประสบการณ์แบบเดียวกันสรุปคือผมจำเป็นต้องบอกว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านเหตุผลสำคัญคือเพื่อให้ชัดเจนว่าทำไมบางคำพูดจึงเหมือนกันแต่บางคำพูดจึงดูขัดกันโดยเฉพาะแนววิธีเริ่มเจริญสติมันเป็นเรื่องของพื้นหลังและการตั้งต้นประสบการณ์ทางธรรมไม่ใช่เรื่องของการไม่ลงรอยเดียวกัน ท่านเคยบอกกับผมว่าคงต้องแยกกันทำงานไม่เช่นนั้นคนจะสับสนได้แต่หลายปีต่อมามีคนกังขาผมพูดอย่างท่านพูดอีกอย่างและนินสัยคนเราก็ชอบเข้าทางโน้นทีทางนี้ทีเพื่อย้ำความแน่ใจผมเห็นเป็นวิ่แววความขัดแยงระยะยาวจึงไปกราบและช่วยท่านสอนที่สวนสันติธรรมให้คนเห็นเสียเป็นอันระงับความสงสัยเสียได้ว่าใครยอมรับนับถือใคร หลวงพ่อปราโมทสําคัญอย่างไรคุณดังตรินจึงยกท่านอยู่คนเดียวผมไม่ได้ยกท่านคนเดียวผมพูดเสมอว่าคนที่มีบุญคุณให้ความรู้กับผมมีใครบ้างแล้วก็ยกย่องเสมอว่าปราดทางพุทธท่านใดน่ากราบไหว้บ้างเพียงแต่อาจจะกระจัดกระจายคนส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยเห็นเห็นแต่ที่ผมยกท่านเป็นคอลัมน์ยืนโรงคือธรรมะจากพระผู้รู้ซึ่งมีมาในนิตยสารธรรมะใกล้ตัวโดยตลอด ท่านสำคัญแค่ไหนผมดูจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับพุทธศาสนาพุทธจะพังเพราะคารวะไม่รู้ไม่ใช่เพราะพระไม่ดีพูดอย่างเนี้ยอาศัยเหตุอะไรเหตุคือคนเราอยู่ๆเกิดมาเป็นพระเลยไม่ได้ต้องเป็นคารวะก่อนตอนเป็นคารวะจะรู้หรือเข้าใจพุทธอย่างไรพอเป็นพระก็มีแนวโน้มจะพัฒนาต่อยอดจากตรงนั้นถ้าเป็นคารวะ ท, ที่รู้ไม่ดีรู้ไม่พอ หรือรู้ไม่ถูกพอเป็นพระก็มีสิทธิ์หลงกับอะไรที่ไม่ถูกและไม่ดีพอได้สถานการณ์ของพุทธในไทยทั้งอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างไรพระส่วนใหญ่ท่องจำแต่บทสวดงานศพมีการสอนในชั้นเรียนนักธรรมว่ามักผลชาญญาณสมัยนี้ไม่มีแล้วแถมีลูกชาวบ้านที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองโดยไม่ได้พกความละอายเข้ากุฏิ จึงใจกล้าหน้าทนเอาสื่อลามกเข้าไปสะสมในกุฏิกันมากขึ้นทุกทีคาระวะส่วนใหญ่เลยมีโอกาสกราบไหว้ก็เพียงพระที่ไม่ทำตามกติกาที่ตกลงไว้กับพระพุทธเจ้าในวันบวชที่ว่าจะบวชเข้ามาเพื่อจุดประสงค์สำคัญคือบำเพ็ญเพียรเพื่อเอามรผลนิพพานกันส่วนพระที่ปฏิบัติจริงก็มักอยู่ในที่ที่ห่างจากคาระวะ หรือไม่ก็สอนคารวาะเฉพาะในเรื่องบุญกุศลและศิลธรรมจัร ญ, ญาซึ่งสมัยนี้ชาว บ, บ้านมักเบือนหน้าหนีมากกว่าหันหน้าฟังช่องว่างระหว่างคารวะกับพระจึงทางกว้างมาตลอดและคารวะที่ไหนจะออกกําลังใจมาเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือจเจริญสติเอามรรคผลนิพพานตามรอยบาทพระศาสดาได้เล่ายังมากก็อาศัยพุทธสถานเป็นบันไดไปสวรรค์กันเท่านั้น จุดสรุปคือลงเอยว่าคารวาสส่วนใหญ่มองไม่เห็นว่าแก่นพระศาสนาอยู่ตรงไหนอย่าคิดว่าเรื่องเล็กนะครับชาวพุทธที่ไม่รู้จกักศาสนาของตัวเองยิ่งมีมากก็ยิ่งเหมือนพุทธศาสนามีศักดิ์ศรีเป็นแค่ขอนไม้กันจมไม่ถึงขั้นเรือใหญ่ที่พร้อมพาไปถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยตามที่เป็นคารวาสมีความต้องการแค่ให้พระสวดให้ฟังหรือเทศเรื่องศีลธรรมง่ายๆให้รู้สึกว่าได้บุญ ประส่วนใหญ่ก็จัดให้ตามนั้นเน้นท่องสวดเน้นเทศนาเฉพาะศิลธรรมระดับต้นๆฟังง่ายๆหรือใส่ความเห็นส่วนตัวหยอดมุกให้คนฟังติดใจคนเขาถึงชอบพูดกันว่าศา ส, สนาไหนก็สอนให้เป็นคนดีและในความจดจําสืบๆมาก็คือทุกศาสนาเหมือนกันหมดคือทําให้เป็นคนดีมีแค่หยิบมือที่เข้าใจว่าพุทธศาสนา บอกทางให้พ้นจากความเป็นคนดีที่สีหน้าเศร้าซอยได้ด้วยเมื่อผลงานของหลวงพ่อปราโมทเป็นที่ประจักษ์วชักพาคนอยู่บ้านมาเป็นคนเข้าวัดได้มหาศาลผมจึงไม่ลังเลที่จะสนับสนุนท่านขณะเดียวกันก็ไม่ลืมสนับสนุนท่านอื่นแล้วก็ไม่ได้ประกาศว่าจะเจริญสติได้ต้องมาลงให้หลวงพ่อปราโมทเท่านั้น การเขียนทั้งหมดนี้ใจไม่ได้เล็งอยู่ที่การช่วยกู้ชื่อเสียงให้หลวงพ่อปราโมทแต่ในเมื่อชื่อเสียงของพระศาสนาผูกอยู่กับกรณีของท่านเนื่องจากรวมคนเข้าไว้ด้วยกันหลายฝ่ายฝ่ายรู้เรื่องฝ่ายไม่รู้เรื่องฝ่ายสมัครใจเดาโดยไม่รับฟังใดๆและอื่นๆถ้าพอจะช่วยให้ชาวพุทธมีใจเป็นกุศลขึ้นสบายใจขึ้นหนักแน่นขึ้นหลังจากเกิดกรณีหลวงพ่อปราโมท ผมก็ถือว่าการลงแรงอธิบายครั้งนี้คุ้มค่าแล้วจุดยืนของนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวมีคอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้นำหน้าผมได้กราบเรียนท่านโดยตรงแล้วว่าจะให้คงไว้ต่อไปไม่ถอดออกตามคำขอของหลายฝ่ายมิฉะนั้นเท่ากับเป็นการเสริมให้ผู้คนนึกว่าผมถอนตัวอีกคนจึงขอประกาศเป็นทางการว่าคอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้ ในนิตยาสารธรรมะใกล้ตัวต่อไปนี้จะอยู่ในการตัดสินใจและรับผิดชอบของผมเพียงผู้เดียวว่าจะให้อยู่หรือไม่อยู่ต่อผมจะไม่ยกการตัดสินใจใดๆให้ใครแม้เป็นที่ประชุมทีมงานถ้ามีการข่มขู่กันจะได้ข่มขู่ถูกตัวอย่าไปข่มขู่คนอื่นเลยนะครับลงชื่อดังตรินมกราคมพุทธศักราช2553บทความจาก นิยาสารธรรมะใกล้ตัวหมายเหตุผู้อ่านนิยาสารธรรมะใกล้ตัวเป็นนิยาสารธรรมะรายสัปดาห์นะครับจะมีออกมาให้อ่านฟรีและก็มีเสียงอ่านหนังสือให้ดาวน์โหลดฟรีติดตามได้ที่เว็บไซต์ดังตรินดอท d u n g t r i n c o m